กราบนมัสการท่านอาจารย์พระคือกลิสโสถิพโลที่เคารพอย่างสูง วันนี้ตรงกับวันอังคารที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555แรม7ค่ำเดือน3ปีมะโรงเป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมกราบาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมและไขปัญหาธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูล แก่เหล่าโยคียผู้เข้าปฏิบัติธรรมในการนำไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานต่อไปขอกราบอาราธนาเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้สักเล็กน้อยถึงเวลาที่เราพักกันสามทุ้มมีคำถามบ้างมครับมีคำถามอยู่เนาะ <c oughs> เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปคําว่าสังขารและวิญญาณ น, นี้หมายถึงอะไรครับ อ, อสังขารในปฏิจจาใช่ไหม มันเดี <c oughs> ๋ยวให้ดูอ๋อสไลด์ไม่ขึ้นขอปรับคำสักนิดหนึ่งนะ ก็ว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยตรัสนะพุทธเจ้าจะใช้คําว่าสมถากับวิปัสสนานะกรรมฐานยังไม่มีนะนั้นอยากให้ใช้คําให้ถูกต้องนะก็คำว่ากรรมฐานจัดไว่หนึ่งตรแค่นั้นเองจัดไว้กับมานพบอกนาามานวะกรรมฐานัางมหัาถังมหากิตจังมหาธิกระนังก็คือเป็นฐานะแห่งการงานของคารวาะ นะซึ่งคือการงานคือการค้าการขายการไถ่การไถานะ า, รถ า, นาหรือการค้าขายและพระองค์ไม่เคยใช้คําว่ากรรมฐานมาคู่กับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คู่กับวิปัสสนาคือสมถากวิปัสสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีอง8ปนดะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติคือปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาก็คือมรรคมีองแปดนั่นเอง เราจะได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องไปเลยสังขารนะถ้าเรามาดูในสายปฏิจจคัาว่าสังขารทั้งหลายกับสังขารเนี่ยนะตัวสังขารทั้งหลายคือทั้งวิญญาณและนามรูปส่วนตัวสังขานี้จะคือตัวนามรูปอย่างเดียวนะเราต้องท่องปฏิจจั์ตรงนี้ให้คล่องทั้งสองระบบ ปฏิจจาจะมีสองแบบคือแบบที่ไปสุดถึงอวิชชากับแบบที่สุดแค่วิญญาณกับนามรูปมาลําดูที่สุดวิญญาณกับนามรูปเป็นอย่างนี้เห็นนะปฏิจจาอีกแบบหนึ่งจะสุดแค่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปไม่ไปถึงอวิชชา <c oughs> จําสายนี้ให้ดีๆนะวิญญาณมีนามรูปนามรูปมีวิญญาณ คอยดูนะคูเจ้าจะเปลี่ยนนามรูปตัวนี้เป็นสังขารเพื่อโยงไปถึงสังขารทั้งหลายและอวิชชาอลองดูปับ๊บนามรูปตัวนี้จะเป็นสังขารเห็นไหมเวลาเราเอาปฏิจจตัวนี้มาสวมกับ ต, ตัวนี้ปั๊บจะเข้ากันพอดีนะพระองค์จะเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นสังขารตรงนี้สังขารทั้งหลายต่อ ด, ด้วยอวิชชานะเพื่อโยงให้ทราบว่าสังขารทั้งหลายตัวนี้คือวิญ ญ, ญาณกับนามรูปทั้งหมดนี่เลยนะมีเพราะไม่รู้ นั่นเองนะนั้นถึงบอกต้องจําสายปฏิจจาให้แม่นๆต้องอยู่ในหัวเลยนะแล้วปั๊บเนี่ยคำผู้เจ้าจะเชื่อมโยงกันหมดนั้นพระศ า, าสดาจะมีคําที่ใช้แทนกันได้หลายคําเช่นพบนะหรือการเกิดอย่างนี้การเกิดพระองค์จะใช้ชาติกะการเกิดสมุทัยก็เกิดนิทานะก็เกิดปัพภาวะก็เกิดนะมีใช้หลายคํามาก เพื่อการเชื่อมโยงธรรมะออกไปแตกรูปออกไปหรืออินทรีย์ก็ตามอินทรีย์กับภละหเหมือนกันแต่อินทรีย์จะแตกรูปออกไปอีกเป็นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้นะนั่นนี่คือลักษณะการเชื่อมโยงพระสูตรกันและคําของพระศาสดาเราจะเห็นว่าเรียงร้อยกันหมดเลยพระองค์ว่าคําของพระองค์คือระเบียบแห่งถ้อยคำนะเพราะฉะนั้นมีบุคคลเดียวในโลกที่ทําตรงนี้ได้คือพระพุทธเจ้า อนุสังขารตัวนี้คือนามรูปนันเองนะส่วนสังขารตัวนี้หมายถึงทั้งวิญญาณและนามรูปทั้งหมดมีเพราะไม่รู้นี่คือระบบทั้งหมดของอสังคตรลักษณะคือสังคตรธรรมคือธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ไม่อยู่คงที่คุณสมบัติของสังคตะลักษณะจะมีสามอย่าง 1. อุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏ 2. วยโยปัญญายติมีการเสื่อมปรกากฏ 3. าทิตญญตส s ญยัทธังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเช่นน้ำแข็งให้ยอมดู ง, ง่ายๆน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็ละลายเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลานั่นน่ะเมื่อมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏตลอดเวลา ซึ่งจริงๆทุกสิ่งในโลกธาตุหนังสือเนี่ยขนาดมันตั้งอยู่นี่มันก็เสื่อมทีละอนุแล้วแต่เรามองไม่เห็นโคตินที่ชายทะเลถูกน้ำซอไปกลอนไปทีละอนุโมเลกุลสองโมเลกุลเรื่อยๆผ่านไปร้อยปีสองอถึงจะเห็นว่ามันกลอนไปเยอะอยน่นี้ทุกสิ่งในโลกเมื่อตั้งอยู่จึงมีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลาเพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นนะไม่มีอะไรในโลกอยู่คงทีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแม้แต่ในผิวหนังของเราเนี่ยเจาะลงไปนักวิทยาศาสตร์เจาะลงไปนะถึงเม็ดเลือดขาวถึง DNA ลงไปถึงโมเล ก, กุลมีอะตอมมีเล็กตอนมีอนุภาคทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดนะไม่มีการอยู่นิ่งเลย น, นั่นนี่จะเห็นว่าพระศาสดาตรัสไว้ได้ถูกต้องตรงนะ ลองให้ดูม <c oughs> อมีคำถามต่อไปไหม <c oughs> อ่ า, อาสังคตะอันนี้คืออสังคตะนี่คือสังคตะ เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติเสื่อมปรากฏวโยปัญญายติทิตตสัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอสังคตาคือนิพพานจะมีสาอาการไม่ปรากฏมีการเกิดนะใส่คำวราณเข้าไปณอุปาโทปัญญายติอย่างที่สองณนะวิโยไม่ปรากฏมีการเสื่อม อย่างที่สามเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนตะิตตะอัญญัตังปัญญายตนะินี่คือความต่างกันของสมุติกับวิมุตินะเวลาจะพูดว่านิพพานคืออะไรต้องพูดโดยคุณสมบัติว่ามันไม่ปรากฏการเกิดมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ความมีของมันเกิดไม่ปรากฏจึงบัญญัติอะไรกับนิพพานไม่ไดนะ้นั่นเดี๋ยวไว้เราลงละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่ง นะอคำถามตอไปก่อนก็นได้เพราะมีตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเหตุชไหนจึงมักกล่าวกันว่าเพราะยึดเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดความยากเพราะยึดเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดความยากเหรอคงไม่มีในพระสูตรไหนเลยตั้งแต่ ต้องถามว่าเอามาจากประสูตรไหนนะเพราะว่าอยากเป็นเหตุให้เกิดยึดนะไอ้ตัวสารปฏิจจามันจะไม่ย้อนไม่ย้อนกลับนะเพราะนั้น อ, อยากต้องมาก่อนยึดจริงตามมานะอย่างนีนะ้เหมือนกับว่าเราบอกว่าอยากมาก่อนภัสสะค่อยมาทีหลังหรือสัมผัสมาก่อนลูกตาค่อยมาทีหลังมันย้อนกลับไม่ได้นะ มันต้องไล่เหตุปัจจัยการเกิดมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคํากล่าวนี้ไม่ใช่ของสัมมาสัมพุทธะแน่นอนนะแสดงว่าเป็นของคนอื่นที่แต่งขึ้นแล้วมันก็จะมาขัดกับคาพระสัสดานะครับบุคคลทั่วไปมักชอบเพ่งโทษบุคคลอื่นเพราะเหตุใดผมเข้าใจว่าเพราะสมจิตออกนอกกายคือไม่ได้อยู่กับลมหายใจทําให้กิเลส ไอ้วงเล็บสมุทัยไหลเข้าสู่ใจได้เป็นความเข้าใจผิดหรือไม่กราบเรียนถามทานจางก็เพ ร, ะระนะาะไม่สำรวมอินทรีย์นั่นแหละนะอย่างที่บอกเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจะเกิดขึ้นจึงจึงมีอกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นนะซึ่งจริงจริงการเป่งโทษทุกอย่างก็เป็นอกุศลนะ ไม่ว่าแต่จะคนสัตว์ก็ตามโต๊ก็ตามเดินเตะโตะกะบแมเดดทุกมันทิ้งซะเลยนี่ก็เป็นอกุศลอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องหลนะเรามีหน้าที่รักแค่คิดขึ้นมาปุ๊บพบเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่พระเจ้าตรัสไว้ให้ดีว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจัดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งแล้วออกนอกกายแนละ้วเพราะไม่สํารวมจิตนั่นเองนะไม่ทำตัวเหมือนเตาหดโอยวะไว้ในกระดองนะนะเราจะนึกถึงพระสูตรผู้เจ้าได้ตลอดเลยว่าพระองค์เตือนเราอย่างไรบ้างนะการเข้าใจสายปฏิจจสมุปบาทแทงตลอดต้องเข้าใจทั้งสายหรือสายใดายสายหนึ่ง สายเดียวก็ได้ถ้าเราไปอ่านปฏิจจสุบาทที่พรมพุพทธทาไว้ในจักรพรอโอนะเฉพาะในจักรพ่อโอทจะเห็นว่าที่พระองค์อธิบายไว้เนี่ยที่บอกอะเห็นเวทนาตัวเดียวแต่ต้องเห็นโดยในยะอริยสัจสีนะก็คือรู้จักเวทนาคือสุขทุกข์ัทุกขมสสุขสามัญรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับหลุดพ้นได้ เช่นพระองค์อธิบายว่าอย่างนี้ถ้าเธอละสุขได้เนี่ยเท่ากับว่าเธอละลาคานุสัยได้ถ้าเธอละทุกขเวทนาได้เท่ากับเธอละปฏิคานุ้ใสได้นี่อนาคามีแล้วนะถ้าเธอละอุเบขาได้เท่ากับเธอละอวิชานุสัยได้หลุดพ้นเลยจับเวทนาตัวเดียวเห็นเวทนาสานะแล้วละความเพลินในเวทนาสามจิตหลุดพน้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสายใดายสายหนึ่ง จับตัณหาตัวเดียวก็ได้ตรัสไว้ในเรื่องกัพลีกาลาอาหารอาหารคือคําข้าวอาหารคือผัสสะตัวผัสสะจะทําให้เห็นเวทนาละเวทนาสามหลุดจิตหลุดปนตัวมโนโสัญเจตนาอาหารจะทําให้เห็นตัณหาคือความอยากเห็นตัณหาสามละตัณหาสามได้จิตหลุดปนเรื่องวิ ญ, ญญาณอาหารอาหารของวิ ญ, ญญาณจะเป็นเหตุให้เห็นการเกิดดับของนามรูปเห็นการเกิดดับของนามรูปทําไปเรื่อยๆจิตหลุดพ้น น, นี่คือตรัสไปเรื่องอาหารสเพราะนั้นสายใดสายหนึ่งก็ได้เรียนถามท่านอาจารย์กรณีกำหนดลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งจิตจะสงบควรจะกำหนดต่อไปอีกหรือควรจะทำอย่างไรขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะด้วยจำไม่เลยว่าจิตสงบไม่ว่าจะขั้นตอนใดก็ตาม สิ่งที่ทุกทำต่อไปเห็นการเกิดดับนะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้พระองค์อุปมาเหมือนกันหมดในสมาธิทุกขั้นตอนเจ็ดระดับแรกนะเรียกว่าสัญญาสมาบัติเจ็ดระดับอุปมาก็คือเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่ฟนฟางนะก็ซ้อมยิงไปเรื่อย ต่อไปก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงไกล ย, ยิงเร็วทาลายหมู่คนนําใหญ่ไดนะ้เพราะฉะนั้นในสมาธิเจ็ดระดับแรกซึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่มีการหมายรู้อยูนะ่หลักการเดียวกันหมดเห็นการเกิดดับอันนี้คืออุปมาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขา ประกอบการฝึกอยู่กับรูปขุนคนที่ทําด้วยหญ้าบ้างกับรูปกุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้ยิงไกลยิงเร็วทําลายหมู่พลอย่าไปเปลี่ยนคําพระองค์นะเพราะพระองค์จะไปเชื่อมอีกพระสูตรหนึ่งว่ายิงไกลคืออะไรยิงเร็วคืออะไรทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้คืออะไรนะนั้นคําพระองค์ทุกคําห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยน นะกรณีทำลายหมู่พลนันใหญ่หมายถึงทำลายอวิชานะพวกพวกยิงไกลเนี่ยพวกเห็นนริยสัตว์พวกยิงเร็วเนี่ยจะเชื่อมไปสู่ตัวปฏิปทาถึงการดับไม่เหลืองสกายะเห็นเนตังมะมะเนสอมัสมินะมัยสวัตตาจะแตกลูกธรรมะออกไปนะนั้นคําของโลกจริงบอกสำคัญมากและถ้าเราไปเห็นอุปมาเรื่องพบกับชาตินะ ภพชาติการแยกเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกรรมนะเรื่องภพเรื่องกรรมเรื่องชาติพู้เจ้าจะอุปมาเนี่ยเรียงร้อยกันหมดเลยซึ่งอยู่คอลเราพสูตรทั้งนั้นเลยแต่พอจับเอามาเชื่อมกันแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเชื่อมกันทั้งหมดพระองค์เปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเนี่ย เมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาก็ชื่อว่ามีกรรมละนะเกิดกรรมละแล้วเมล็ดพืชงอกขึ้นด้วยอะไรงอกขึ้นด้วยอย่างในพืชนะฉะนั้นเวลาต้นพืชเกิดขึ้นมาเนี่ยต้นพืชอาศัยหนึ่งอย่างในพืชคือเผ่าพันธุ์เดิมของของเมล็ดพืชคือกรรมในอดีตและนวกรรมคือกรรมใหม่คือผืนนาตัวใหม่นะที่มันตกลงไปจึงงอกมาเป็นต้นนะ ตัวงอกคือการเกิดคือชาติตัวกรรมพระองค์จะไปเชื่อมอีกพระสูตรหนึ่งเปรียบเหมือนพบพระองค์เปรียบพบเหมือนผืนนาเห็นนะใช้อุปมาเดียวกันผืนนาเพราะนั้นอุปมาผู้เจ้าห้ามเปลี่ยน ด, ด้วยเพราะต้องเชื่อมกันพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีพบนะมีที่รองรับเมล็ดละในการที่จะงอกขึ้นมาและกรณีของพบงอกด้วยอะไรงอกด้วยน้ํา พระองค์เปรียบน้ําเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจนะก็น้ําลดเมล็ดพืชเพลินพอใจมเมล็ดพืชก็งอกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการงอกของมเมล็ดพืชคือชาติเพลินพอใจเรียกอย่างว่าสัญญาคัจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินนี่คือชาติหรือเรียกว่าความเจริญงอกงามไพ่บุญของวิญญาณหรือการงอกของมเมล็ดพืชขึ้นมาแล้ว เราเห็นว่าพบคือฝื้นนาชาติคือการงอกของมเมล็ดพืชวิญญาณเป็นตัวมเมล็ดพืชที่งอกขึ้นมาบนพบนะอย่างนี้นั้นเอาไปอ่านทบทวนไข้ควรดีๆปั๊ปบจะเข้าใจแยกพบกับชาติออกจากกันได้ชัดเจนและถ้าเราเข้าใจเรื่องพบชาติเราจะเข้าใจละเอียดลึกขึ้นไปว่าทำไมพระองค์สอนให้เราละนันทิบ่อยๆนะ เพราะเป็นการเข้าไปตัดเหตุที่จะนำไปสู่ชรลาและมรณะนั่นเองนะเราเราจะได้มีเหตุผลว่าเรามานั่งละความเพลินทาอะไรนะนั่นคือเพื่อเข้าไปดับเหตุที่จะนำไปสู่ชะลาและมรณะนั่นเอง น, ะ <c oughs> <c oughs> นะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกประสูตหนึ่งที่พระองค์บอกวิญ ญ, ญาณถีตนะิสีอย่างนะซึ่ง อีกพระสูตรหนึ่งจะตรัสเรื่องวิญ ญ, ญาณทิติซึ่งพระองค์จะบอกเลยว่าวิญญาณทิติ4ี่อย่างคืออะไรก็คือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารนะเพราะฉะนั้นขันห้านะสี่ตัวขันสี่ตัวจะเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณตัวนี้วิญญาณเป็นผู้รู้สี่ตัวเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณนะวิญญาณเป็นผู้เข้าไปตั้งอาศัยทิติแปลว่าฐานที่ตั้งนะ วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเราดูจิตเราขณะรู้ลมนี่มันตั้งอยู่ในรูปหลุดไปปุ๊บไปคิดอดีตนี่มันไปตั้งอยู่ในสัญญาขันนะดึงกลับมาที่ลงเดี๋ยวหลุดไปคิดปรุงไปในนากดนี่ไปสังขารขันดึงกลับมาปุ๊บเดี๋ยวหลุดไปพอใจไม่พอใจไปเวทนาขันจิตจะวนอยู่แค่สี่ฐานนี้ใครเห็นตรงนี้โสดาบันอีกแล้วนะนี่นั่น องดูนะอันนี้นนนสามสี่พระสูตรนี้เรื่องพพประชาจะเชื่อมโยงกันเหมือนเลยเหมือนเมื่อกี้เรื่องของอวิชชานะเรื่องของปฏิจจสุบาทเรื่องยิงไกลยิงเลวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สมาธิที่ถามนะว่าทําไปแล้วเนี่ยนะั่นิ่งแล้วจะทําอะไรต่อเห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าต่อไปแค่นั้นเองเพราะจิตไม่มีทางอยู่นิ่ง นิ่งแล้วคิดว่าอยู่นิ่งไหมเข้าไปเฝ้าดูดีๆจะเห็นความไม่นิ่งของมันนะเห็นจะเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือเพราะสิ่งที่รู้ความนิ่งก็คือวิญญาณขันวิญญาณเกิดแล้วที่สุดต้องดับต้องมีเวลาที่มันดับหายไปพระองค์จึงให้เราเข้าไปเฝ้าดูให้ดีและเราเฝ้าดูได้ตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่หนึ่ง ไม่ต้องไปรอฌานสี่ไม่ต้องไปรออากาสานัญ จ, จาระไม่ต้องรอฌานหนึ่งทำอย่างไรจิตปราศจากอากุศลพอแล้วนะเพียงพอต่อการเห็นการเกิดการดับเพื่อการน้อมไปสู่อมตะธาตาุนลองไปดูปตมชาญที่ที่พระเจ้าตรัสไว้เราจะได้มั่นใจว่าปตมชาญจิตปราศจากอากุศลมีวิตกวิจารปิติสุข เป็นสมาธิที่เพียงพอต่อการหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สาวกพูดกันผิดเยอะนะก็เลยอยากให้ดูคำพระศาสดา <c oughs> อันนี้ไม่ไม่ใช่ต้องเรื่องของการซิมนาสวะว่าเรากล่าวการซิมนาสวะเพราะสายปฐมฌานอืม พิสูทั้งหลายเล่ากล่าวความสิ้นลาสะวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตัตยฌานบ้างจตุยฌานบ้างนี่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินสาวกพูดว่าจะต้องถึงฌานที่สี่ถึงจะหลุดพ้นได้หรือเป็นวิปัสนาซึ่งไม่ใช่นะวิปัสนาเริ่มได้ตั้งแต่นี้แล้วปฐมฌานเลยนะ อากาสานัญจายตนะบ้างวิญญาณัญจายตนะบ้างอากินจัญญาญตนะบ้างเนวสัญญาณสัญญาญตนะบ้างสัญญาเวทิตนิโรธบ้างอ่าลองดูต่อไปพระองค์บอกว่าคําที่เรากล่าวว่าความสิน้นอสวะอาศัยปฐมฌานบ้างอาศัยอะไรกล่าวพระองค์บอกมีเหตุผลด้วยนะไม่ใช่พระองค์พูดมา ล, ลอยๆอาศัยอํานาจแห่งประโยชน์อะไรในการกล่าวคํานี้ ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจากการสงัดจากอากุโสลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นนี่คือเหตุผลมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันกำลังทาหน้าที่อยู่นะเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝี เป็นลูกศรนนะนี่เป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนนะตรงนี้เริ่มเป็นวิปัสสนาแล้วนะนะเดี๋ยวกลับไปดูต่อไปเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นนะแล้วกิงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตาุาด้วยการกาหนดว่านั่นสงบนั่นระนีนั่นสงบประัณนั่นระนีนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบประภับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลักเคลืนซึ่งอุปริทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะสิณสาาวะได้ภายใต้ปฐมฌานนะนั้นไม่ต้องสมาธิสูงเลยเลื่ออะไรแค่อกุศลไม่มีเราสามารถตามเห็นการเกิดดับของถันตงได้แล้ว ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกาอนาคามี ami, ผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยมีในเบื้องต่ำห้ประการและเพราะอํานาจแห่งธรรมราคาธรรมนันติเพราะยังมีความเปลี่ยนนั่นเองทิ้งหล่นมาเป็นอนาคามียนะแทนที่จะสิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนมันลากเราไปหาพภพหาชาติน ะ, ะเป็นคําถามต่อเรื่อง เรื่องของฌานนะครับจําเป็นไหมที่จะต้องทำฌานสีก่อนถ้าจําเป็นหรือสมควรจะต้องทำมีวิธีการเริ่มต้นในการทำฌานสีอย่างไรบ้างอ๋อก็ไม่ต้องเลยนะอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งก็ได้แล้วนะยืนยันโดยคำพระศาสดาเพราะฉะนั้นใครพูดไม่ตรงพระศาสดาต้องกลับมาให้เขากลับมาให้ตรงกับพระศาสดาเพรา ะ, ะนั้นสาวกรู้แคบพระศาสนารู้กว้างนะ ความแค่ของสาวกเนี่ยผู้เจ้าอุปมาเปรียบเหมือนมีพระราชาก็สั่งอํามาตย์ไปเอาคนตาบอดแต่กําเนิดมาสิห้าคนสิบคนเสร็จแล้วก็ให้มาจับช้างตาบอดคนนี้ไปจับช้างาให้ไปจับที่ขานะอีกคนไปจับที่หางอีกคนไปจับที่หูอีกคนไปจับที่งวงอีกคนไปจับที่งาเสร็จแล้วพระราชาก็เรียกคนตาบอดแต่กําเนิดมาทั้งหมดช้างเป็นยังไงอนี้ก็ เหมือนไม้พลองคนบอกเหมือนแท้คนบอกเหมือนกระดงน่ะในตาบอกมันตัดเลาะกันใหญ่เลยไม่ช้างเป็นอย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้พระราชาก็าหัวล้อสนุกสนานเพราะว่าเขาเห็นช้างไม่ครบทั้งตัวพระราชาคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นธรรมะครบทั้งหมดแต่สาวกมันเห็นคนละนิดคนละนอยคนละนิดอย่างนี้นะอ่าเมื่อสาวกไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะ การถ่ายทอดบอกสอนจึงพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวนะ น, นั้นอันนี้เป็นขีดจำกัดของสาวกนั้นจึงอยากให้พวกเราเนี่ยกลับมาศึกษาคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าไปคิดว่ามันยากมันคือคําตรงคําจริงเป็นสัจจะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะเพราะฉะนั้นภายใต้ความจริงถึงมันยากเราก็ต้องเพียนเข้าไปศึกษาเพราะมันคือความจริงถ้าเอาแต่เรื่องง่าย แต่มันเป็นข้อมูลไม่จริงเราจะได้แต่ข้อมูลเท็จออกไปและเราจะไม่ได้มรรคผลที่แท้จริงนะหรือไม่ก็จะเจอความยากนะเพราะเราไปมุ่งเอาละฉันต้องฌานที่สี่แล้ว ท, ทั้งทั้งที่หนึ่งก็หลุดพ้นได้อข้าใจไหมอ่าอย่างนี้เราสามารถยกระสูตรขึ้นมาอบรมจิตในขณะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแทนการ ดูลมหายใจได้หรือไม่ครับได้นะพระองค์เรียกธรรมะวิจ ย, ยะนะใครควรสอดสองธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในหลักของโพชฌงนะตั้งแต่สติสัมโพชฌงธรรมะวิจ ย, ยะนะวิริยะปิติปสัสธิสมาธิอุเบกขาทุกอันใช้เป็นมรรควิธีได้เหมือนกันนะพระองค์เคยใช้อธิบายโพชฌงเป็นตัวมรรควิธีนะเคยมีคนถามว่าโพชฌงใช้เป็นมรรควิธีได้ไหมใช้ได้ <c oughs> ถามบ่าการแผ่เมตตาหรืออุทิตบุญกุศลต้องแผ่หรืออุทิศก่อนนั่งสมาธิใหม่ครับหรือทำครั้งเดียวตอนนั่งสมาธิเสร็จแล้วทํามเมื่อไรก็ได้ถ้าเรามีจิตปราศ จ, จากอากุศลนะไปดูที่พระองค์ตรัสบกวาเสตัเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ได้ถ้าจิตของพวกเราเนี่ยปราศ จ, จากอากุศลวิตกแล้วเนี่ย หรืนวรณทั้งห้าให้เราทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองาสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางนนี้ที่พระองค์ตรัสกับว่าเสตฐถวาเสตฐถเมื่อพิสูจน์นั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ตนละได้แล้วนี่ต้องละนิวรณ์ฮาปราโมทย่อมเกิดปิติเกิดน่ะสเสวยสุขจิตตั้งมั่นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสองสามสี่ แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องกวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญ่หลวงเปรียบเหมือนวาเสตตาเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ติศโดยไม่ยากชันใดเมตตาเจโตวิมุตต์ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักการแผ่เมตตาอดทิบุญกุศล น, นะใช้หลักตรงนี้ก็คือ ให้จิตของเราปราศ จ, จากอกุศลสะก่อนนะนั้นการอุทิศบุญก็ตามไม่ต้องไปวิ่งเตรียมน้ําเตรียมแก้วผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องการกรวดน้ําทุกคนต้องกลับมาเตรียมจิตของตัวเองนั่งสงบสงบนะละอกุศลออกจากจิตแล้วตั้งเจตนาอุทิศบุญกุศลนะพระตถาคตกล่าวว่าเรากล่าวาซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ใช่น้ํากับแก้วเป็นตัวกรรมนะน้ํากับแก้วสืออะไรไม่ได้ นะไม่ได้เกิดความสําเร็จประโยชน์เพราะน้ำกับแก้วสําเร็จประโยชน์เพราะจิตที่ปราศ จ, จากนิวรณ์ห้าหรืออกุศลสามอย่างการพยาบาทเปลี่ยนนะแล้วถึงตั้งเจตนาอุทิศให้แก่บิดามารดาผู้ร่วงรับญาติพี่น้องผู้ร่วงรับซึ่งตรัสไว้ในเรื่องของทิฏฐหน้าที่ของบุตรพึงกระทําต่อบิดามารดานะในข้อสุดท้ายก็คือทําบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านทํากาะละล่วงรับไปแล้วนะ นั้นทุกอย่างนะพระองค์อธิบายไปหมดแล้วนะอันนี้ก็เรื่องของทิฏฐกเมื่อท่านทำกาลละล่วงรับไปแล้วเราจะ ก, กระทำทักษิณาอุทิศท่านนะนิทิฏเบื้องหน้าคือมันดาบิดาอันบุรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการนะรจากบาลีสยามรัทธฉบับปแปลเล่มที่20หน้า201ข้อ510 อุปโภสบสูฑพระองค์ศาสดากล่าวถึงอายุของเทวดาทั้ง6ชัันโดยที่อายุน้อยที่สุดคือจตุมมหาราชิกาจะมีอายุประมาณ500ปีทิพย์หรือ9ล้านปีในพมนุษย์หมายความว่าโสดาบาันประเภทเจชาติที่ไปเกิดเป็นเทวแล้วจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ วนไปมาอย่างมากเจ็ดชาติก็ควรจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเก้าล้านปีมนุษย์ใช่หรือไม่ที่จะบรรลุอรหันต์และหมายความว่าอายุพระาศาสนาก็ไม่น้อยกว่า9ล้านปีมนุษย์ด้วยใช่หรือไม่อไม่จำเป็นนะศา ส, สนาจะหมดไปก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าแต่โสดา บ, บันแล้วนะไม่หวนกลับต่อยอดเองได้แล้ว เพราะฉะนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ที่ทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเมนเห็นไหมเขาไปเกิดขาดสติหลงลืมไปเกิดในเทวดาตามว่าข้างบนมีศาสนาพุดแล้วไม่มีหนึ่งเขาละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองแล้วบรรลุธรรมเห็นไหเขาต่อยอดเองได้ละสองเขาไปได้ยินพวกวิสุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็ต่อยอดได้บรรลุธรรมรเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองก็บรรลุธรรม นั้นไม่จำเป็นจะต้องเจอศาสนาพุทธเพราะว่าเขาได้เจอตั้งแต่ต้นแล้วไฟจุดติดแล้วมันจะไปกางวันเองนั้นความเป็นโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าบอกเที่ยงแท้ถาวรยิ่งกว่ามหาพุทธะสีบอกมหาพุทธะสี่คือติดน้ำไฟลงยังมีความแปรปวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปวนเลยเที่ยงแท้ต่อปรปนิพนะันธถึงอยากให้พวกเราแตะโสดาบันได้ก่อนตาย นั่นต้องแตะให้ได้นั้นคุณสมบัติโซดาบันเนี่ยต้องเอาไปอ่านกันเยอะๆน่ะอืมโซดาบันนะคู่มือโซดาบันเดี๋ยวจะเอามาแจกซะหน่อยนะให้พวกเราเอาไว้เป็นคู่มือพกติดกระเป๋าเลยนะตัวทุกวันนะวันนี้ครบเรื่องตือจให้ดีๆ ถามว่าการดูดวงแก้กรรมหรือต่อโชควาสนาสามารถอธิบายในทางธรรมได้อย่างไรและโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรและควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ อ, อควรจะเป็นสีลัพปตตาปลามาสมากกว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล น, นะและการดูดวงหรือการพยากรณ์ของผู้ใด ไม่มีใครเที่ยงไม่มีความแน่นอนนะบุคคลผู้ที่พยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองมีคนเดียวในโลกประธานนี้คืออรันตสมมาสัมพุทธนะที่เหลืออันนี้จังหมดเหตุผลเพราะอะไรมีเหตุผลด้วยนะผู้ชาบอกสาวกบางคนเนี่ยยามอย่างรู้อดีตเนี่ยถอยไปได้แสนชาติถอยไปได้หนึ่งกับหนึ่งสังวรตกับหนึ่งวิวัตากับแล้วก็มาพยากรณเลยไปกว่า น, นั้นเขาไม่รู้ว่าคนนี้มีกรรมอะไรมาบ้าง นะการพยากรณ์จึงมีข้อผิดพลาดได้หรือว่าพยากรแล้วมองไม่สุดเช่น <c oughs> พระอหันรูปหนึ่งนะชื่ อ, อพระมหาโกติตัปฏิสัมพิทาด้วยนะไปพยากรณ์จิตตะหัติสาริบุตรนะว่าภิกษุรูปนี้ชื่อจิตตะหัติสาริบุตรเนี่ยได้สมาธิขั้นนี้ขั้นนี้ขั้น น, น, นี้แต่ต่อไปจะศึกไปเป็นรั่นหัด พูดจบไปแค่นี้ภิกูุทั้งหลายก็เอช่หรือหรื อ, อยังไงก็ไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระาศาสดาก็เลยบอกว่าอ๋ อ, อไม่หรอกจิตตาทิสารบุตรต่อไปจะระลึกถึงคุณแห่งเมฆมาได้แล้วมาบวชใหม่จนสำเร็จเป็นพระหลนพยากรจนสุดสังสารเลยเห็นนะมไอน้อนี่มันพยากรไม่จบมันสร้างปัญหาเยเพราะการพรยากรไม่จบขนาดเป็นพระหลานนะ นั้นเราจะเห็นว่าจะไม่มีพระรอรหันต์ในครั้งพุทธกาลที่จะกล้าพยากร อ, อะไรนะเพราะโดนหมดนะพะยากรปับ๊บโดนนะทู้เจ้ากรับอีกทีเรียบร้อยเพราะนั้นขนาดพระอนุธทธะเลือดด้านที่พิจารูก็เงียบนะหุกปากสนิทนะพระโมคราลนะเลือดตังลิกก็เฉยเนะ เขาตัวเองเลิ ก, ก็จริงแต่เลิศภายใต้หมู่สาวกแต่ไม่เท่าผู้เจ้าได้กับพีนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะในเรื่องอิทธิปาฏิหาริและอาเทศนาปาฏิหารพระศาสดาตัสกับเกวตตาว่าพระองค์รู้สึกอึดอัดข ย, ขยักขแยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริและอาเทศนาปาฏิหารเป็นอย่างยิ่ง ดูความรู้สึกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อปฏิหารเหล่านี้เพราะปฏิหารเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นความแก่เจ็บตายได้นะเกวัตตะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปฏิหารดังนี้แลจึงอึดอัดขยักขยแยงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารไปดูอเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตคนอื่นเกวตัตต เราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปฏิหารดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยั่งเกลียดชังต่ออาเทศนาปฏิยานและพระองค์สอนเรื่องอนุสาสนีปฏิหารเป็นยังไงท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนั้นเช่นทําไว้ในใจอย่างนี้รู้ลมหายใจนะอย่าไปรู้ความคิดปรุงแต่งนะจงละสิ่งสิ่งนี้เสียเช่นละอกุศลเสียนะเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วลอยู่เข้าถึงลมหายใจแล้วไง อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างนี้นี่คืออนุสาสนีปฏิหารซึ่งจะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ยอมได้สองปฏิหารแรกก็ยังไม่รอดจากนรกกำเดดเดชานเปรววิสัยผู้เจ้าจึงอึดอัดมากนะและมันดึงจิตเราให้ไปสนใจซะด้วยนะเคยมีครั้งหนึ่งนาคตาหรือสาคตานี่ ก็เป็นอุปถาผู้เจ้าก่อนปน้านนนทช่วงนั้นแล้วก็มีคนจะมาขอฟังธรรมผู้เจ้านะสายตาก็ดำดินไปหาผู้เจ้าเลยปา้าบอกว่ามีคนจะมาขอฟังธรรมผู้เจ้าบอกอ่ะไปจันทารศนที่ต้นไมน้ตรงนั้นสาาก็ดำดินป้ามาโผที่หมาชนบอกว่าให้รอตรงนี้เดี๋ยวผู้เจ้าจะมาพอผู้เจ้าเดินมาประทับนั่งเสร็จพระองค์ก็กำหนดจิตดูไม่มีใครสนใจผู้เจ้าเลย ไม่สนใจสาักตะลูกสิทธิ์ของพระองค์้น้นดําดินได้เก่งพระองค์เทศไปก็คงไม่เข้านะเป็นเราหรืเป็นพระเจ้าจะแก้ยังไงจะเรียกมาดาเหรอไม่ได้เอาอยัางไงดีก็อบอกสักตามานี่แสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้โชว์ให้เต็มที่เลยอืมหนุนเลยนะหลาตายก็ห่อขึ้นไปพ่นควันแปลงกายทำฤทธิ์ต่างๆ หมดภูมิละก็เลยเหาะ ก, กลับลงมากราบแท้พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีกเข้าป่าไปหลบไปซะนะคนก็โอ้โหขนาดแสดงฤทธิ์ได้ขนาดนี้ยังกราบแท้พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงผู้เจ้าต้องเก่งกว่าแน่เลยเวียนความสนใจมาหาผู้เจ้าจะกําหนดจิตเคนสนใจแล้วละพระองค์จึงค่อยแสดงธรรมไม่งั้นแสดงธรรมไปก็เหนื่อยพระผู้เจ้าเปล่าลใช่ไห ม, มนี่แหละ ความที่สาวกบางทีไม่แยบคาย <c oughs> และไม่ใช่แต่สาวกทั่วไปสาวกที่เป็นพระหลานอีกภารัทวาชะเดินไปกับพระโมคคานนะไปเจอบาทเศรษฐีก็แขวนมีดยอดไม้บอกใครเป็นพระหลานก็มาเอาไปก็เกี่ยงไปเกี่ยงมาสองลูกผลที่สุดภารัทธวัชะหะาะขึ้นไปเอาบาทมาแล้วก็หาะเวียนไปกุ้งราชฤทธ์สามรอบโอ้โหทีนี้เป็นเรื่องเลยสิคนก็ ตื่นเต้นตกใจเดินตามภารัทวัชมาจนถึงเจดวันณกูเจ้านั่งอยู่กับ่านนท์เงียบๆเอเสียงอะไรเอะอเหมือนชาวประมงแย่งปลากันน ะ, าะนอานนท์ก็บอกข่าวว่าภารัทธวาชะปล ด, ดบาดข้าเศรษฐีลงจากยอดไม้หอบไปในเมืองสามรอบกูเจ้าบอกอานอนท์เรียกภารัทวชัชมาที่นี้แล้วสั่งประชุมส่งเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเลยนะพารัทธวาชะมาถึงปั๊บ ผู้เจ้าตำหนิแรงมากลองดูไหมว่าผู้เจ้าตำหนิพระลระาหาันว่ายังไงนะเพราะฉะนั้นพระอะหันกับพผู้เจ้าเนี่ยเหมือนเด็กน้อยเลยโดนเรียบลูกศิษย์ท่างท น, นั้นนะถ้าผู้เจ้าไม่เลิศกว่ามา่านปกครองพระราหลานเป็นพันไม่ได้นะนั้นพระราหลานเป็นพันอยู่ในโอวาทั้งหมดนะพระองค์ <c oughs> ตำหนิพระ ร, าารตัตวาชานะอืม แล้วก็สอบสวนนะบอกพระทธวาชะนะ <c oughs> ขาวว่าเธอปรดบาตรข้าเศรษฐีลงจริงหรือพนะระหนพระลัธวาชะจริงนะพระพุทธเจ้าข้าภาระัทธวาชะการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิปฏิหารซึ่งเป็นธรรมอันยุดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคลือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่ามาตุครามแสดงของละเพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉั้นใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันโอ้โหตําหนิพระลานรุนแรงเนะี่ยเห็นนะต่อหน้าคณะสงฆ์เลยได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยุดยิ่งของมนุษย์แก่พวกขลือหัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้ซึ่งเป็นดุจซากศพการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใส พลั้นแล้วทรงกระทํำทำมีคาถารับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงแสดงอิธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันย่นยิ่งของมนุษย์แก่พวกฤๅษีรูปใดแสดงต้องอาบัตทุกขกดพวกเธอจงทําลายบาดไม้นั้นบทให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนะของพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งพิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกข์กดณวันนี้พระก็ใช้บาดไม้ไม่ได้เพราะบัญญัติข้อนี้นะ นั้นมีเหตุที่มาที่ไปหมดถึงบอกนะว่าถึงจะเป็นพระอรหันต์เลิกทางนิตเลิกทางปัญญาก็ตามไม่มีสิทธิ์น ะ, ะท่านท่านเหล่านั้นถึงที่หมายได้วิมุตติอุพ้นก็จริงแต่ภูมิปัญญาในทางโลกนั้นสู้พระเจ้าไม่ได้แต่ท่านกับพระเจ้าจะเสมอกันที่วิมุติเมื่อถึงวิมุติแล้วไม่มีความเป็นพระเจ้าไม่มีความเป็นลูกศิษย์เสมอกันหมดนะแต่ภายใต้ การที่ยังไม่ตายอยู่บนโลกเนี่ยผู้เจ้าเลิศที่สุดเรียกว่าเป็นสัพันอยู่รู้ทุกเรื่องในโลกแต่พระหลานเนี่ยรู้ไม่ไม่ทุกเรื่อง น, นี่ก็ให้ดูโัวอย่ารยช่ครับคำถามในคนํา้มีหมดหมดแล้วนะครับอาจารย์ไบรรยายตาต่อครับมีคำถามสดไหมเผื่อใครจะถามขึ้นมา นใช่ถ้าเราพูดเรื่องอ่านถ้าเราจะมองในเรื่องของาีจถ้ารอบองมีอาจารย์บอันอันนั้นก็ใช่วใช่ใช่ใช่เรามอง่เราอ่าที่จะอในเรื่องของะอ ใช่ใช่อาา่าได้และมรรควิธีตรงนี้พระองค์เรียกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานคือการพิจารณาผัสสะนะนั้นอย่างที่โยมเขาพูดมานี่จะเป็นกลุ่มของมรรควิธีที่ง่ายที่เป็นที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพาน การพินาภาษานั้นจะมีได้หลายกรณีกรณีนี้ก็กรณีหนึ่ง <c oughs> กรณีของเมื่อภาษากระทบแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็าาตามนะที่สอนกรรมมาลุงกระุตรหรือพระปายยะนะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินนี่ก็เป็นการพินาศาคือปล่อยเลยนะหรือจะใช้การคิดใคร่ควรก็ได้ว่า ลูกตาไม่เที่ยงลูกไม่เที่ยงวิญญาณที่เข้ามารู้ช่องทางตาก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนหมดวิญญาณทางหูก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเปลี่ยนไปช่องนั้นช่องนี้อยู่ตลอดเวลานะหรือการพิณาผัสษายังเลยลงมาได้ถึงเวทนานะถ้าเราพิจารณาเวทนาเกิดเพราะผัสษใดเป็นเหตุปัจจัยนั่นยังชื่อว่าอยู่ในกรอบของการพิณาองค์ประกอบของผัสษะนะ แยกคงคประกอบภาษาออกได้ได้ไม่ได้ปฏิบัติเลยหมายถึงยังไงนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาจะสักว่าเห็นอย่างนี้หรอหาหอ ซึ่งปเราจะดว่าปินาอ่่ที่ต้องาเราก็เลจอ่เอปิาตงอคือเหมือนว่านนั้นเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ังปเลนเอานเี่อเป็นอน้นตัวอย่างเงี้ยเปนก็คือ มายถึงผู้ปฏิบัติแล้วมีอาการอย่างนั้นใช่มามก็แสดงถึงความก้าวหน้าที่มันพัฒนาขึ้นอารมณ์อะไรที่เคยทนไม่ได้มันก็จะมีความอดทนได้มากขึ้นอย่างเนี้ยมันจะเฉยๆต่ออารมณ์ประเภทต่างๆมากขึ้นอย่างนี้เป็นได้ไม่สามารถเป็นไปได้ในทุกภษัษาอาจจะเป็นในบางเรื่องซึ่งก็เป็นธรรมชาติบางคนภาษากระทบแล้วก็อุเบกขาได้ ซึ่งพุะเจ้าจัดว่าเป็นอุเบกขาที่ยังอิงามิตรนะยังไม่ได้ด้วยปัญญาอะไรไไนะใช่ซึ่งคนปกติก็มีได้อยู่แล้ ว, ลวใช่ใช่นะซึ่งมันจะไปเข้าอยู่ในในกรอบของคุณสมบัติโสตปันนะอย่างหนึ่งก็คือมองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลนะมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูล และมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่เบิกขาได้อย่างนี้นั่นเป็นคุณสมบัติของความเป็นอริยะอีกอันหนึ่งปฏิกูลนะนะนะ อุจจะปฏิกูลไหมปฏิกูลนะจะมองให้ไม่ปฏิกูลยังไงก็คือมองเป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็คือดินธาตุดินนั่นเองนะเวลาเราอุจจระเอาอุจจระไปลดพวกต้นไม้ต้นไม่จเจริญงอกงามกินผลไม้ไปไม่ได้กินอุจลาะไปด้วยนะเหมือนกันมันก็คือธาตุดินมาดูดไปเข้ามาในแอปเปิ้ลเข้ามาในกล้วยนะกินเข้าไปอร่อยเลยนั่นนะกินอุจจระนั่นไง เหมือนกันนะอ่าเวลากินอาหารจัดอยู่บนบุฟเฟ่โต๊บบุฟเฟ่โอ้โหสวยสดงดงามไม่ปฏิกูลนะอันนี้นะอ่าแต่มองให้เป็นปฏิกูลได้ไหมต้องมองได้ว่าอาหารก็บูดเน่าแล้วถ้ามองไม่เป็นก็คายออกมาซะถ้าคายออกมาแล้วยังกืนได้มันของฉันนะงั้นเอาของคนอื่นคายออกมานะมกินเข้าไห ม, มเห็นไหมมันเริ่มปฏิกูลแล้วไม่ไหวนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ย เ็นง่ายๆนะอาหารเป็นอุจจาระปัสสาวะไปแล้วนี่ต้องมองเป็นไงนี่ใครยังเดินจงกรมไม่เป็นบ้างไม่มีแล้วน ะ, ะนั่งสมาธิก็เป็นนะเดี๋ยวจะได้นั่งต่อเดินต่อกันได้นะแล้วเวลา เราใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยจะอาบน้ำอาบท่าเดินไปโต๊ะอาหารทานอาหารเราก็อยู่กับการประพฤตปฏิบัติตลอดคอยดูจิตเราเคลื่อนไหวไปที่ไหนพยายามอยู่กับปัจจุบันมันจะคิดปรุงแต่งไปกังบนโน่นห่วงนี่คิดเรื่องนั้นรีบละละละละไปตลอดคิดเหมือนว่า7วันเหานี้พร้อมตายได้ตลอดแล้วถ้าเราตายไปขนาดนี้จะทำยังไง รักษาจิตไว้ได้ไหมน ะ, ะเพราะนั้นต้องฝึกความชำนาญในการตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติให้จิตเราอยู่กับกายเข้าไว้ให้มากนะอีกสักคำถามไหมมีไหม <c oughs> อฮะ ว่าอืนี่ไงที่ญญพูทเจ้าบอกขันห้านะลูกเปธนาสัญญาสังขารวิญญาณพูทเจ้ญญาให้เอาวิญญาณขันมาเกาะกับรูปนะเกาะกับขันขันเดียววิญญาณขันมันจะวนไปเกาะอยู่สี่ขันทุกต้องมาและสี่ขันเป็นที่เกิดใช่ไหม เป็นที่เกิดขณะวิญญาณไปเกาะขันใดก็ตามนั่นคือเกิดแล้วถูกต้องไหมขณะวิญญาณไปเกาะกับขันใดปุ๊บมีภพคือสถานที่ตั้งอาศัยที่เปรียบเหมือนพื้นนาแล้วมันกําลังงอกละถ้าเรามีจิตผูกกับลมต่อไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทั้งสี่ธาตุสี่ขันเนี่ยเป็นที่ตั้งในการสร้างการเกิดภพชาชราโมออนะได้หมดเลยนะเพียง <c oughs> แต่ร่างกายเรายังไม่แตกทําลายแค่นั้นเองนะ ขณะที่ร่างกายเรายังไม่แตกทำลายเนี่ยจิตก็ยังสร้างพบใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันยังไปนึกไปคิดไปรู้สึกได้ใช่เพราะฉะนั้นพบชาติชร า, ามานะนะมันไม่ได้แค่การแตกทำลายของรูปแล้วไปได้รูปใหม่นะขณะที่รูปยังไม่แตกทำลายเนี่ยพบชาติชร า, ามานันก็เกิดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นพระพระองค์ให้ปล่อยวางทั้ง5้าธรรมชาตินะแล้วพอปล่อยวางเราปล่อยได้อย่างไม่ได้ เอ้เราทำยังไงอ่ะพระองค์ก็มีลําดับขั้นตอนไงเอาวิญญาณขานาันว่าเกาะตัวนี้ก่อนนี่นะแล้วพยายามทิ้งไอ้สามตัวนี้ที่เหลื อ, อยามกระทิ้งเรื่อยมันไปนึกมันไปคิดมันไปรู้สึกอะไรยมละนันที่ตลอดละตลอดแล้วกลับมาที่ไหนกลับมาที่กายนี้อืมนั้นการที่จิตไปสร้างพบที่จะไปเกิดอีกสามที่หนี่งหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อย เหลือที่นี่อยู่ที่เดียวเห็นไหมเหลือที่กายเราเนี่ยนั่นจะมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่ากายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยึดกายนี้แล้วนะแต่เขาอาศัยเพียงระลึกเพื่อให้เห็นว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับนามเกิดดับนะเพราะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าวิญญาณมันเกิดดับเพราะการเกิดดับของวิญญาณมีความเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราไปพร้อมกันหมดเลย เวลาเราวิญญาณเกาะตรงนี้ก็นิฉันเป็นนี้วิญญาณไปเกาะตรงนี้ก็ฉันไปเป็นนดมันไปพร้อมกันเลยมันจึงไม่มีทางเห็นว่าจิตเกิดดับพระุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยนะไม่มีทางเห็นวิญญาณเกิดดับเลยนะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อ่านจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดอนันตการเลยเพราะมันเกิดดับเร็วมากนะจึงต้องมีอุบายวิธี เอาจิตมาอยู่กับที่ที่เดียวซะก่อนนะเมื่อจิตมาอยู่กับที่ที่เดียวนั่นแหละเดี๋ยวจิตมันจะแสดงความจริงของมันคือมันจะไม่อยู่มันจะดับแป๊บออกไปอย่างนี้นั่นแหละเราถึงรู้ว่ามันไม่อยู่เพราะเราไม่ต้องการให้มันไปเราไม่ต้องการให้มันไปแต่มันจะไปนั่นแสดงว่ามันไปมันมีการแปลเปลี่ยนอันนี้จังเปลี่ยนทีแรกเราไม่เคยเห็นดับหรอกมองไม่ทันเราจะเห็นมันเปลี่ยนแน่มันเปลี่ยน เห็นเปลี่ยนลักมากผู้เจ้าบอกอะไรจะเห็นดับเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนสิ่งหนึ่งจะดับสิ่งหนึ่งจะเกิดนะบางทีเรายังไม่เห็นวิญญาณเกิดดับนะแต่เราจะเห็นนามรูปเกิดดับก่อนจากนั้นเมื่อเราเห็นนามรูปเกิดดับบ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่านามรูปก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วใครคือชีวิตเราจะคิดว่าวิญญาณคือชีวิตติว่ามันวิ่งไปวิ่งมาเราก็ต้องมาดูวิญญาณหนึว่าวิญญาณเกิดดับหรือไม่โอ้หมันต้องแก่ทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะ พอมาดูวิญญาณปั๊บแล้วจะดูยังไงว่าวิญญาณเกิดดับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมคือกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือกายเพราะฉนั้นถ้าเราไปมัวนั่งคิดอยู่ขณะที่คิดวิญญาณไปเกาะความคิดแล้วเห็นไหมวิญญาณถูกใช้งานแล้วเราหลงวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้หยุดคิดเนี่ยต้องมาเกาะ อ, อยู่กับกายนิ่งๆเราถึงจะเห็นวิญญาณเกิดดับได้ะะเข้าใจไหม ถ้าวิญญาณไม่เกาะกับกายเราจะรู้ได้ไงวิญญาณเกิดดับเมื่อเห็นวิญญาณเกิดดับไม่ได้จะปล่อยวางวิญญาณได้ยังไงเพราะเรากับวิญญาณตอนนี้มันเป็นตัวเดียวกันจะปล่อยวางมันก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษคือเห็นการเกิดการดับของมันว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเราการจะเห็นเกิดดับได้ต้องจับมันมาอยู่ที่ที่เดียวและที่ที่เดียวที่จะทําให้เห็นชัดคืออะไรกายของเรานะจะเห็นชัด ถ้ยอมไปเกาะกับอุเบกขานะเวลาไปเกาะกันนมามธรรมละเอียดทั้งคู่เลยแล้วเวลาวิญญาณดับไปยมรู้ไหมว่าอุเบกขาดับหรือวิญญาณดับไม่รู้มันละเอียดทั้งคู่เลยแต่ถ้ามาก่อกับกายวิญญาณดับไปยมรู้นี่กายฉันยังไม่ตายนะกายยังอยู่แต่ให้เอามาก่อที่กายให้มากนะจากนั้นเนี่ยทิ้ง3มขันที่เหลือเราจะเห็น3ขันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เพราะเวลาโยมามาอยู่กับกายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกยังไงมันก็ดับนะเพราะไม่มีทางที่วิญญาณจะเป็นนิจจังอยู่ตลอดนะ <c oughs> แต่เมื่อดับแล้วเนี่ยเอากลับมาดับแล้วออกกลับมาเราจะเริ่มเห็นสามขันเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเลยมากพอจนกระทั่งเราเห็นว่าสามขันเนี่ยไม่ต่างกับรูปคือไม่ใช่ชีวิตและทีนี้เราจะเริ่มมุ่งความสนใจมาสู่วิญญาณละ และทีนี้เมื่อวิญญาณมาเกาะ อ, อยู่กับกายเฉยๆะจะมีธรรมชาติอะไรบ้างหงมีกาย2มีผู้รู้เพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเราจะรู้จักลมกับผู้รู้ลมสองธรรมชาติทํางานอยู่ด้วยกันรู้จักวิญญาณทันทีเลยแต่ถ้าโยมไปนั่งบริกรรมโยมจะรู้จักวิญญาณไหมไม่มีทางรู้จักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิด เพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเพราะโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้นิ่งๆที่หยุดคิดเข้าใจไหมและแค่หยุดคิดอย่างเดียวโยมเห็นผู้รู้ทันทีเลยนะนั้นมันง่ายที่สุดในการกลับเข้ามาหาลมหายใจของเราอย่างเดียวนะท <c oughs> ีนี้เมื่อโยมมาจิตเกาะกับลมหายใจได้จิตไม่ไปสร้างการเกิดในอีกสามขันนะพระเจ้าอธิบายว่า ในที่สุดเมื่อกายแต่ทำลายวิญญาณจะไม่สามารถสร้างนามแต่ละอ่านและรูปขึ้นมาได้เพราะรูปมันพังไปแล้วนะวิญญาณจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรงแต่งรูปนามได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปริญิานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะ เพระนั้นพระองค์อธิบายทีละขั้นทีละตอนละเอียดมากตรงนี้จะเข้าใจได้โยมต้องเอาไปทบทวนบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในพระสูตรนี้ <c oughs> นะตั้งแต่ที่พระองค์บอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนะนั้นถ้าจิตของโยมยังเข้าไปหาอารมณ์อยู่ไม่มีทางหลุดพ้นนะดูนี้ ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นไม่ใช่ผู้นี้คือคนเดินเข้าไปหาไม่ใช่นี่เป็นการอธิบายอาการจิตนะจิตที่เข้าไปสู่อารมณ์จะไม่มีทางหลุดพ้นเพราะนั่นคือเข้าไปสู่พบชาติชราเมรณะนะต้องไม่ให้เข้าไปหาถ้าไม่เข้าไปหาเนี่ยจะหลุดพ้นคืออยู่นิ่งอยู่ตรงนี้นะแล้วพระองค์อธิบายต่อลองไปดูต่อ วิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้เทตมาอธิบายเนี่ยวิญญาณเข้าอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์รูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเห็นนะวิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะสัญญาสังขารตั้งอยู่ได้หมดนะ เพราะนั้นวิญญาณตั้งอาศัยได้ทีละธาตุทิละธาตุทีละธาตุกลับไปกลับมาอย่างนี้อาศัยการเกิดดับของมันนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องฝึกดับนามธรรมสามตัวนี้ก่อนรักษารูปประทาไว้นะเพราะไม่งั้นรูปมันจะเสียหายไปก่อนถ้ายมไปอยู่กับนามธรรมสามตัวพวกวิปลาสเป็นบ้า อยู่ในโลกแห่งจินตนาการมีแต่การคิดปรุงแต่งตลอดเวลาเลยพวกนี้คือพวกขาดสติกนะก็จะเป็นพวกสัญญา ว, วิปลาสไปเพราะฉะนั้นพวกสัญญา ว, วิปลาสจิตเขาจะไม่ค่อยอยู่กับกายเขาจะปรุงแต่งไปเรื่อยเวลาหมอรักษาเขาจึงต้องเอาจิตมาอยู่กับกายอาวาดรูปไปนะฝึกบังคับกายนั่นเอาจิตมาอยู่กับกายซะพวกนี้ก็จะมีได้ยินเสียงคนนั้นสั่งคนนี้สั่งคนนั้นมาสอนคนนี้ปรุงแต่งตลอดเวลาเลย นั่นน่ะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการจิตไปเกาะกับไอ้3มขันนี่มากเกินไม่กลับมาอยู่กับกายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการมาอยู่กับกายดีที่สุดนะ่ะกายยะขตาสตินะร่างกายของเราจะปลอดภัยด้วยนะจากนั้นเนี่ยจิตเมื่อไม่ไปสร้างการเกิดอีกสามขันเหลือขันสุดท้ายเมื่อขันนี้แตกทำลายนะบิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ จะไปตั้งอาศัยใน3มตัวนี้โยมก็ทิ้งมาตลอดทั้งชีวิตนจนชํานานแล้วถามว่ามันจะไปสร้างการเกิดที่ไหนมันจะหลุดพ้นไปทันทีเข้าใจไหมนี่เป็นเทคนิคของวิา้าที่สุดยอดในการแยบขายเพราะยังไงรูปมันพันแน่นอนเอามาก่อนนี้ก่อนก่อนรูปพังเรามีความยึดในรูปนี้ใช่ไหมก็ระหว่างนั้นเนี่ยฝึกทิ้งสามขันตัวนี้นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต้องทิ้งทั้งกุศลอกุศล แต่เมื่อเรายังทำงานอยู่ทำยังไงผู้เจ้าจึงเสนอสัมมาสังกปะมรคแข้อที่2ทิ้งอกุศลไปก่อนเรายังทำงานได้ไหมได้ทำงานได้โดยไม่ต้องคิดอกุศลก็ได้ถูกต้องมอ่าขั้นตอนมีหมดทุกอย่างเห็นไนหะถ้ายังถ้ายังทำงานอยู่ทิ้งอกุศลไปพอทิ้งชำนาญแล้วเดี๋ยวมาคอยทิ้งกุศลต่อนะแล้วให้เหลือเกาะกบรูปไว้เฉยๆแล้วสุดท้ายคือปล่อยตรงนี้นะผู้เจ้าจึงบอกอ่ะ <c oughs> ถ้าจะตายทําอย่างไรนะบอกพี่สุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายสติสัมปชัญญะทําอย่างไรอธิบายสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสอธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานาสติเอาจิตมารู้ลหมหายใจเห็นนะมันมาม้วนลงที่นี้นั่นคือการรู้ลหมหายใจเนี่ยมันครบถ้วนทุกเรื่องแล้วใช่ไหมอ่า ลมเวกทำไมนะ ต, ตัวเดียวกันไหมเรียกว่ามองคนละมุมดีกว่าเหมือนโยมมีบ้านหลังหนึ่งเดินเข้ามาทิศหนึ่งคนเดินมาจากสีทิศเห็นบ้านคนละแบบคนละทรงนะเพราะนั้นขณะที่อยู่กับลมหายใจใครมองเห็นลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกผู้เจ้าเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใครเห็นความรู้สึกเฉยๆที่รู้ลมอยู่เรียกเวทนานุปัสสนาใครเห็นว่าจิตเรากําลังรู้ลมเรียกจิตตานุปัสสนาใครเห็นจิตที่รู้ลมแปลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำมานุปัสสนาอยู่ที่มุมมองของใครจะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่อาตมาอาจจะ <c oughs> หยิบแก้วนี้ขึ้นมาอย่างเนี้ยถามว่าทุกคนเนี่ยมองแก้วนี้เหมือนกันไหมอธิบายเหมือนกันมไหม บางคนมองลายของแก้วบางคนมองรูปทรงนะบางคนก็จินตนาการเป็นน้ําข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนั้นะในสติปัฏฐานสี่ในการรู้ลหมหายใจคิดได้สีม่มุมนะเป็นสัมมาสตินะถ้าเกินสี่มุมนี้เริ่มเป็นมิจฉาสติแล้วนะนะ อืมห oui. oui. ืมฮ i mean ่อืมอ no ืมอืมอ uh ืมอืมอืมอืมอเมอืมอืมอืมอือืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอีมอืมอืงอืมอือืมอืมอืมอืมอืมอืมือออมมอือมอมออือืออือือ อ mm hmm. นั่นแหละมันก็เกิดดับไงอ่าเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้รู้หรือวิญญาณขันก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นน่ะต้องเห็นซ้ำๆแค่นี้แหละเพราะเรากําลังต้องการเห็นโทษของมันบุคคลใดตามเห็นโทษของสิ่งสิ่งใดก็จะถอนอุปทานออกจากสิ่งสิ่งนั้นได้น่ะ ขันท่ามีทั้งอสาท่าคือรสอร่อยและขณะเดียวกันมันก็มีอาทีนวะใครเห็นแต่อาสาท่าของขันท่าจะยึดติดสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกแต่ขณะเดียวกันขันท่าก็มีโทษของมันคือการดับไปเป็นธรรมดาการไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนการดับไปบุคคลใดมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของมันนะบุคคลนั้นก็จะหลุดพ้นจากขันทั้งห้าได้จึงมีพระอรหันต์มีบุคคลผู้หลุดพ้นจากขันทั้งห้า เพราะเข้ามาตามเห็นโทษของมันหน้าที่เราคือเห็นโทษมันซ้ําๆอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างเนี้ยนะไม่ใช่เห็นทีเดียวแล้วมันจะบรรลุนี่เพราะอินทรีย์เรายังไม่แก่กาพายยาเห็นทีเดียวบรรลุทำเลยนะเราเห็นรนะ้อยครั้งยังเฉยเยนะมันก็ต้องเห็นตั้งแสนครั้งล้านครั้งนะแต่ถามว่ามีวิธีใดดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะมีวิธีเดียวอริสสัตว์สี่ 4. เป็นเครื่องเจาะแทงกีเลส น, นะ ตัวเลสสัตว์เป็นตัวเจาะแทงกิเลสไม่มีตัวอื่นนั้นทนเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับต่อไปด้วยการอยู่กับลมมันเปลี่ยนปลกเห็นเลยมันแปรเปลี่ยนอย่างนี้เฝ้าดูซ้าอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อ <c oughs> อว่าเจไปได้มว่ากเนี่ยเกิด่บคือกไอีกม่ดหว่าเหมือนว่าสัมีศพฟื้นล่ะมันก็ตายก็ตายไปแล้วนะ<ม>นนอ่าฮนะกลับมาใหม่คือยังไงฟื้นมาใหม่อ่าฮะ ไ, ไม่ไมีหลับเพราะว่า ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้นะจิตมันจะไปแตะนิพพานวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะวิญญาณรู้ได้แต่ขันทั้งสี่เพราะฉะนั้นเวลามันไปแตะมันไปแตะให้ขันที่เหลือนะอีกสามขันนะเวลารูปแตกทําลายนะอาา่าเมงนี่อาา่าฮะต ก, ก็ได้พล อ, อยโจนยังไง ต้องก็ได้เพราะฉันคือต้องอย่างนี้นะต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางตรงนี้ให้ได้น่ ะ, ะแค่นั้นเองเพราะว่าขนาดที่จิตอยู่กับกายเนี่ยมันพร้อมแล้วที่จะปะระลุประนิปานไงนำ ม, มาตัดทำน่ะถ้ากายแตกทำลายก็ยแตกทำลาย พนะระองค์พูดถึงเรื่องกายแตกทําลายเลยและชีวิตแตกทําลายมันจะมีสองแก๊กนะแก๊กหนึ่งคือตัวรูปธปาตุพันุ์ไก่อันเนี่ยขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตปัญญาณขันที่เข้าไปอยู่ในรูปอาศัยเนี่ยแตกทําลายนะก็คือไม่ยึดละยึดไม่ได้ละลูปนะนี่เรียกว่าการขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตนะนั้นถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลก็ไปสร้างภพต่อไป จิตก็ไปเกาะนามธรรมอื่นต่อแต่ถ้าเราทิ้งนามธรรมมาจนชำนาญตลอดทั้งชีวิตเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแม้ตัววิญญาณขันธ์ที่เกาะอยู่กับรูปก็ไม่ใช่ของเรานะนั้นสัตว์ผู้มีวิชาก็จะหมดวิชานะ น, นั้นสัตว์ผู้มีวิชากำลังเกาะขันธ์ห้ยึดขันธ์ให้อยู่แต่เมื่อเห็นทุกอย่างเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเรา อวิชาก็จะหมดไปวิชาเกิดขึ้นผู้นี้ก็จะกลายเป็นวิมุตติยานลักษณะทันทีนะคระเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องพระธาตุนะพระธาตุถามเถอหาพระสูตรได้ไหมว่าพระธาตุมีสีอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ใครตอบได้ไม่มีใครปุงแต่งเดากันเองดัง น, นั้นนะนะ เอาหาพระสูตรได้ไหมละ่ะถ้าหาวันได้อธรรมาปะเอาเหมือนกันนะไม่มีมือกุญาไม่ได้ตัดไว้นะมันเป็นธาตุดนินน้ําไฟลมที่พระหลานท่านทิ้งแล้วนะพระนั้นพระศาสดาตรัสว่าขันธาตุอายจตนะใดๆขันธาตุอายจตนะทั้งหมดนั้นยึดถือไม่ได้โยมยึดถือพระธาตุเดี๋ยวก็ไปเกิดในพระธาตุนะเธอคิดถึงสิ่งใดดําเนินถึงสิง่งใด หรือมีจิตฟังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณกลับไปดูอีกทีนะครูเจ้าสอนให้เราหลุดพ้นนะไม่ได้มาสอนให้ไปเกาะอยู่กับอะไรนะเ้าใจหม อ, <c oughs> อ่าอืออื อ, อก็กระดูกเป็นพระธาตุแล้วยังไงล่ะเป็นพระธาตุก็เป็นพระธาตุอือฮึ พุจจาไม่เคยเอาพระธาตุมาเป็นเครื่องวัดสอบความเป็นพระราหันความเป็นโสดาบันก็ไม่เคยเอาเรื่องพระธาตุพระรหันก็ไม่เคยเอาเรื่องพระธาตุหลักธรรมเท่านั้นหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องวัดสอบไม่เคยบอกภิกษุทั้งหลายสักคำหนึ่งบอกว่าเธอดูนะถ้าสาเรบุตรปรินิพานแล้ว้าต จ, จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยมีเลยนะเพราะนั้นมันต้องมี มันต้องมีปัญหาไม่งั้นพระเจ้าบัญญัติไปแล้วแหละนะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทําเอากระดูกไปเผาในเตาเซรามิกออกมาเหมือนวัตถาเหมือนอะไรมันเกิดการหลอกลวงกันมากมายนะเกิดความสับสนแล้วคนจะหลีกหนีออกจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นเครื่องวัดสอบความเป็นพระหลานพระเจ้าก็บัญญัติไปแล้วใช้หลักธรรมล้วนๆไม่มีไม่มีเรื่องเอาวัตถุธาตุมาเป็นเครื่องวัดวัดไม่ได้นะ เอาสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้ต้องใช้หลักธรรมและก็ไม่มีเมื่อพูะเจ้าไม่ได้บัญญัติความเป็นพระธาตุถามว่าแล้วใครสามารถสรุปได้ว่าพระธาตุมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้<ม>ก็บัญญัติเองบัญญัติใหม่นะ <c oughs> เรื่องของพระธาตุนี่พูะเจ้าจัดเป็นเรื่องของอย่างนี้ว่าเรียกว่าถูปาราหาบุคคล บุคคลผู้สมควรทำาสถูให้หนึ่งอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้านะตถาคตตัสสะสาวกโกนะสาวกของพระตถาคตนะอย่างสุดท้ายพระมหาจากักรพรรดนี่คือสี่บุคคลผู้สมควรทำาสถูให้นะและสี่บุคคลผู้สมควรทำเจดีย์ให้นะ อรันตสัมมาสัมพุทธะพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันนะแล้วก็พระมหาจักรพรรดินี่คือสี่บุคคลผู้ควรทำเจดีย์ต่างกันยังไงเจดีย์กับสถูปก็คิดว่าเจดีย์คงจะอลังการขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะต่างกันในข้อที่สข้อที่สามของการทำสถูปคือแค่สาวกของพระเจ้าใครก็ได้เป็นสาวกใช้ได้หมดแต่ข้อสามของการทาเจดีย์คือพระอรหันต์เท่านั้น แต่สามข้อที่เหลือเหมือนกันนะมุมต่างกันนิดหนึ่งนะเพราะ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรถึงบัญญัติถู ป, ปาร า, าบุคคลพระ อ, องค์บอกว่าเพราะเมื่อบุคคลอาศัยสถูปนะเข้าไปสู่สถูกของบุคคลนี้แล้วระลึกได้ว่านี่เขาเป็นสาวกของตถาคตหรือเป็นอาา ร, รันตสัมมาสัมพุทธะเป็นพระปัจเจกหรือเป็นพระมหาจักรพรรดิเขาจะเกิดปิติเกิดความสุขนะ จะเป็นเหตุให้เขาเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์เพราะนั้นบุคคลสี่พวกนี้ควรทำสถูกให้ได้หรือทำเจดีให้ได้นั้นอยากจะเก็บอัติเก็บได้นะในกรณีนี้สีกรณีน ะ, น, ะนี่เรียกว่าถูปาราบุคคลนะแต่ไม่ได้บอกว่ากระดูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะมันจะทำให้เราเกิดความยึดมั่นในสิ่งนี้ และกลายเป็นก็ไปคิดว่านี่เป็นก้อนศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วซึ่งไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่อนุสาสนีปฏิหารนั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่ผู้เจ้าบอกน้อยคนนักจะเห็นว่าสิ่งนี้คือปฏิหารเรามองไม่ออกว่าคําพูดมันคือปฏิหารผู้เจ้าจึงบอกพวกเธอทั้งหลายเป็นโอรสอันเกิดจากป่าตถาคตไม่ใช่ผู้เจ้าไปมองตาแล้วก็บรรลุธรรมหายใจลดแล้วบรรลุธรรมบรรลุไม่ได้ แต่บรรลุด้วยปากของพระองค์นะพูดคำพูดออกมาเรียกศาสนีหรือศาสนังคำพูดซึ่งประกอบด้วยปฏิหารบุคคลนั้นเมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติจะเข้าถึงอมะตะคือความไม่ตายได้นะนั้นให้เข้าใจตรงนี้นะนะ้พรเจ้าอธิบายชัดมากปากเลยปากของพระองค์เนะี่ยพูดนะพูดคำพูดออกมาตัวคำพูดนั้นคืออนุศาสนี วันนั้นศาสนีคืออะไรคือศาสนานั่นเองคําว่าศาสนามาจากคําว่าศาสนีดังนั้นศาสนาคือตัวคําสอนนั่นเองเข้าใจัหมนั้นศาสนาอยู่ได้ก็คือคําสอนอยู่ถ้าคําสอนหายศาสนาหายนะไม่ใช่พิธีกรรมอยู่และศาสนาอยู่นะไม่ใช่พิธีกรรมไม่เกี่ยวนะคําสอนนะคาสอนล้นๆวนพระเจ้าจึงบอกอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า พวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีบอกอานน์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราไม่เคยบอกว่าพระาธาตุนะที่ทิ้งไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาต่อไปไม่มีนะทำวินยัยเป็นศาสดาแทนต่อไปนะ เดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันเรื่องเร็งในธรรมก็คงสมควรแก่เวลาคืนนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนกันเชิญอยทีกราบพระอาจารย์นะครับ